คือวันนี้พวกเรามาทําบุญกันนะที่บ้านท่านทูตนะเราก็เมื่อตอนเช้าเราก็ารับศีล น, นะฮะแล้วเราก็ถวายทานถ้าจะทําบุญให้ครบเนี่ยต้องมีอีกหนึ่งก็คือภาวนาทานศีลภาวน า, านะฮะภาวนาในที่นี่หมายถึงการทำให้จิตใจจริญงองงาม น, นะฮะ การทำความดีเนี่ยเราทําได้หลายวิธีเราทําด้วยการสละทรัพย์เราทําด้วยการที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่ก็คือการทาการใช้พฤติกรรมของเราเนี่ยในทางที่ไม่ก่อโทษที่จริงสี่เนี่ยนะสีห่หเนี่ยมันเรียกวมๆว่าเป็นเรื่องของการทําความดีโดยอาศัยในในรูปของพฤติกรรม คนเข้าใจาว่าศีลหเนี่ยหมายความว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์คือมีแต่คำว่าไม่ที่จริงแล้วเนี่ยศีลห้าครึ่งนึงก็คือไม่อีกครึ่งนึงก็คือให้ทำเช่นนอกจากไม่ฆ่าสัตว์แล้วต้องมีความเมตตา ก, กรุณา น, นอกจากไม่รักทรัพย์แล้วเนี่ยต้องมีสัมมาชีวะใช่ไหฮะนอกจากไม่ประพฤติิดในการมแล้วต้องมีความพอใจในคู่ครอง นอกจากไม่โกหกแล้วเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์สัจจานอกจากไม่ไปกินน้ําเมาแล้วเนี่ยหรือว่าเกี่ยวข้องสินเชื่อเกิดแล้วเนี่ยต้องมีสัพปพปัญญาเพราะมันจะมีทั้งลบและบวกอยู่ด้วยกันนะสี่ห้าเนี่ยส่วนนี้คือไม่อีกส่วนนี้คือทํำนะแตเป็นการทําโดยสายกายวาจานะส่วนพ o น n เนี่ยเป็นเรื่องการทําที่ใจ นะแต่การทำที่ใจหรือการพัฒนาจิตเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับการสแสดงออกด้วยนะหรือว่ามันต้องสัมพันธ์กับการสแสดงออกเช่นถ้าเราจะฝึกใจให้เนี่ยให้ให้ไม่โลบเนี่ยนะซึ่งเป็นภาวนาแบบหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ <S <S 1> <S 1> การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยนะ ทีแรอาจจะทำด้วยความไม่เต็มใจแต่ทาไปทาไปเนี่ยมันก็ขัดเกลาริดใจเราให้มีความเมตตากรุณาตอนนี้เรื่องการภาวานาเรื่องการฝึกจิตใจเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่าต้องไปนั่งต้องไปเก็บตัวเข้าวัดหรือว่าไปอยู่ป่าอย่างเดียวอยู่ที่นี่เราก็ภาวานาได้อยู่ที่บ้านเราก็ภาวานาอยู่ที่ทางานล้วก็ภาวานาได้ นะภาวนาอย่างหนึ่งเนี่ยที่ที่ที่สำคัญคือนะการที่เรานะรู้จักลดรู้จักละอันนี้มันจะพาเราไปพบ ก, กับความสุขชนิดหนึ่งคือความสุขของคนเราในี่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความสุขที่เกิดจากการมีการได้เช่นจะมีความสุขก็ต้องก็ต่อเมื่อได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบได้ ทรับสมบัติหรือว่าไดา้หน้าที่การงานที่มั่นคงนะอันนี้เป็นความสุขที่ผู้คนสแสวงหาหรือเป็นความสุขชนิดเดียวก็ได้ที่ผู้คนรู้จักนะคือต้องมีต้องได้มากๆนะแต่ว่ามันมีความสุขประเภทหนึ่งนะแต่ว่าเป็นความสุขทางธรรมก็ได้ เกี้ที่พูดเนี่ยเป็นความสุขทางโลกความสุขทางโลกเนี่ยต้องมีต้องได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนความสุขทางธรรมเนี่ยเกิดจากการที่สละออกไปนะมันตรงข้ามกับความสุขทางโลกความสุขทางโลกเนี่ยต้องมีเยอะๆเช่นต้องมีต้องมีเงินมากๆต้องมีทรัพย์สมบัติเยอะๆนะเหลเงินเดือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าความสุขทางธรรมเนี่ยมันเกิดจากการละการสละออกไป คนเราเนี่ยเมื่อเมื่อมีมากมาแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องรู้จักสละไปเพราะการสละไปเนี่ยมันทาให้เรามีความสุขทางใจความสุขที่เกิดจากการมีการได้เนี่ยมันทําให้เกิดความสุขทางกายแต่ว่าคนเราเนี่ยสุขกายเนี่ยไม่พอต้องสุขใจและสุขใจจริงๆมันเกิดจากการที่เราละละออกไปลอย่างแรกคือการสละหรือการละทรัพย์สมบัติ หรือสิ่งของการให้ทานเนี่ยนะมันก็คือการวิจีทานงความสุขพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอสอนให้คนเนี่ยรู้จักให้ทานนะไม่ใช่เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อเท่านั้นแต่ว่าเพื่อให้ตัวผู้ให้เนี่ยได้รับความสุขด้วย ผู้เจ้าตัดว่าผู้ให้ความสุขยอมได้ลับความสุขนะความสุขที่เกิดจากการให้เนี่ยนะมันหมายถึงความสุขทางใจนะเวลาเราเห็นคนอื่นเดือดร้อนนะแล้วเราอยากช่วยเหลือเขานะเราให้เขาเนี่ย เราก็มีความสุขและความสุขส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการที่มิตรภาพได้กได้ก่อเกิดขึ้นจากการให้นะมันมีมันมีตัวอย่างมากมายนะที่ที่เช่นว่าคนเราเนี่ยเมือ่อ เราให้นะแล้วเนี่ยมันนำความสุขมาให้มันมีที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะอ่ชื่อมิยาสกฤฤษฤษิแกเป็นที่มาของหนังสือเรื่องไดเรียฟเกชาเพราะว่าแกเนี่ยมีอาชีพเป็นเกชา ตอนเด็กๆมีทุกอย่างมากเพราะว่าเป็นเด็กกาพร้าแล้วก็อยู่แบบยากจนพ่อแม่ไม่มีเงินต้องขายเธอเนี่ยให้กับคนอื่นต้องไปเป็นคล้ายๆคนคนรับใช้เขาแล้วก็อยู่อย่างยากลาบากมากถูกเขากดถูกเขาขี่ตอนหลังก็มาทำงานรับใช้ใน ในสันนักกีชาพอสาวเนี่ยก็ปกกว่าน้องชายก็เสียชีวิตนะแล้วแฟนเนี่ยนะก็ตายแกเสียใจมากชีวิตที่ส ะ, มม ส, ะสมมาทำให้แกเนี่ยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แกก็เลยตัดสินใจจะฆ่าตัวตายนะตอนนั้นก็อยู่ที่เกียวโต แล้วก็อาการก็หนาวมากเธอก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในในป่าซึ่งนันหิมะ ก, ก็หนาวมากตกลงว่าจะไ ป, ไปตายในกลางป่าก็มีชายแก่คนหนึ่งเนี่ยช่วยชืวอตเอาไว้ได้แล้วก็พอได้เรื่องราวของเธอเนี่ยชายแก่ก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยคนที่คิดแต่ตัวเองเนี่ยอยากตายทั้งนั้นรู้แต่อยากฆ่าตัวตายทั้งนั้น แล้วก็บอกว่าเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้ทำนะก็คือว่าให้กลับไปแล้วก็ไปช่วยเหลือคนที่ลําบากนะช่วยเขาวันละคนแล้วถ้าเธอยังอยากเข้าตัวตายเนี่ยให้มาบอกฉันให้ช่วยทําให้เธอตายสมใจมียาส ก, กิก็ได้คิดขึ้นมาแกก็เลยเนะกลับไปที่บ้าน แล้วก็แกก็ตั้งใจว่าเนี่ยจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนวันละคนแะนึกถึงเด็กที่ยากจนนะเพราะว่าตัวเธอก็เป็นเด็กที่ยากจนมาก่อนเด็กที่ไร้บ้า น, เ, นเธอก็ตั้งใจว่าเนี่ยทุกวันเนี่ยจะไปสอนหนังสือเด็ก เ, เอากับเอานิทานเนี่ยมาเล่าให้เด็กฟังวันละคนวันละคน ก็ทํามีทุกวันทุกวันเนี่ยตอนหลังก็ไปซื้อหนังสือให้พอมีเงินก็ซื้อหนังสือให้เพราะคนญี่ปุ่นนี่เขารักการอ่านปรากฏว่าในสุดเธอก็เลิกเลิกคิดเทียบค่าตัวตายเพราะว่ามีความสุขอันนี้เป็นเรื่องการที่สละทั้งทั้งทรัพย์แล้วก็สละทั้งเวลา คนเราเนี่ยถ้าเรารู้จักสระรู้จักให้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความเป็นตัวน้อยลงนะและมันทำให้เราเนี่ยเกิดสมรรถภาพที่ดีกับผู้อื่นมากขึ้นนางทีการให้เนี่ยมันเป็นเครื่องช่วยสมานน้ำใจผู้คนได้เวลามีเรื่องขัดแย้งกับใครก็ตามเนี่ยโดยเพราะเช่นเพื่อนโรงงานหรือเพื่อนบ้านเนี่ย การที่เราจะต่อสู้กันทะเลาะ ก, กันนะเราลองหยิบยื่นน้ำใจไมตรีให้สตีฟจอมเนี่ยก็เคยเอมนสตีฟจอมสตีเฟนซูเบอร์อรจำรู้จักสตีเฟนซูเบอร์รู้จักไหมเราสร้างอะไร อ, อินเนรอนเนโรโจตอนนั้นเกิดยงัง อินเดน้าโจนจออะไรนี่เขาเริ่มดังอย่าเรื่นจอเสืส้วก็ตอหลังก็ทําเรื่องหลายเรื่องเขาเรามาตอนที่เขาอายุสิบสามเนี่ย <c oughs> เขาไม่อยากไปโรงเรียนเลย <c oughs> เพราะโรงเรียนมีรุ่นพี่ที่ชอบแกล้งเขารุ่นที่ตัวใหญ่ไวรุ่นไปโรงเรียนนี่เหมือนกับไปไปนรกนะเพราะว่าถูกแกล้งถูกโขวถูกสาปประจําแล้วเขาไม่รู้จะทยังไงนะวันหนึ่งเขาก็ไปเขาก็ได้ความคิดขึ้นมาแล้วก็ก็ไปหา เจ้าหมอนั่นนะบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีโปรเจกต์กำลังทำหนังไอ้สิบนี่เขาเิร์นเริ่มทาหนังนะมันมีกล้องถ่ายวีดีโอทาหนังเรื่องตามล่านาซียังขาดพระเอกอยู่มาเป็นพระเอกนได้ไหม้หมองงนะเพราะวานวีว่าสตีเวนเบจะมาหาทางแก้แค้นเขากลับมาชวนเขาทาหนังเป็นพระเอก ก็ใช้เวลาที่อยู่สักพักแก็บอกเอาสิก็เลยไปเป็นเพื่ให้กับสติลเบิร์กนะบอกว่าอยากจประเภทได้สักอยากจะทหนังได้ไม่กี่วันทําหนังจบหมอแ น, น่นก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีของสติลเบิร์กไปเลยเขบอกจากคนที่ชอบโขกสาบชอบแกล้งก็เลยกลายเป็นเพื่อนเพราะอะไรเพราะว่าเขาคนที่พวกชอบเกเลเนี่ยพวกเขาเป็นพวกที่ ลูกซัวตอรเนียไม่มีคุณค่านะเอาดีไม่ได้ก็เด่นทางดีไม่ได้ก็เด่นทางร้ายแล้วกันแต่พอสปิลเบิร์กเนี่ยชวนให้เขามาทามาเป็นมาเล่นหนังเนี่ยขาซัวเออเาเริ่มมีคุณค่าความสัวเตอรมีคุณค่าเนี่ยนะมันทาให้ความฝ่ดีมันแสดงออกมาแล้วอาจจะทราบซึ่งใน้นนำใจสปิเบิร์ก berg, ก็ได้สปิเบิร์กนี่นะน้ใจมันยอดนะช่าู เขาชั้นันแกล้งมันนะแล้วก็กดข่มมันแต่มันกลับม า, ามาดีกับฉันนะอันนี้ก็ถือเป็นการให้เงนนะเป็นการให้โอกาสเป็นการแสดงน้ำใจเมตตรีมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาขายของอยึดอยู่ที่ร้านอยู่ที่จตุจักรนะ ก็ขายแบบราบเรื่อยมาตลอดตรงทั่งวันหนึ่งเนี่ยร้านที่อยู่ติดกันเนี่ยเขาเปลี่ยนมือมีคนใหม่มาไม่รู้จักกันนะแต่ว่าแค่สองสามวันแรกก็เห็นเห็นพิศสงเลยเขาเอาภาพเนี่ยภาพขนาดใหญ่เนี่ยที่ขายเนี่ยในห ร, ร้านเนี่ยเอามาโชว์แล้วก็มาบังร้านเขาหนึ่งในสามเลยนะ คนที่เราเนี่ยนะเขาชื่อผงเนี่ยเาก็ไม่พอใจแต่เขารู้ว่าการไปทะเลาะบอกแว้งกับหมอนั่นเนี่ยไม่เกิดประโยชน์มันจะเกิดศัตรูปาป่ปางนะเขาก็ใช้วิธีอื่นแทนวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะเขาก็ออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาพร้อมกับอ่ ผลไม้สองกิโลส้มกับอังกุนเราก็เดินมาหาเพื่อนบ้านที่เนี้ยเพื่อนบ้านที่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวชื่อเดชบอกว่านเนี่ยเมื่อกี้ผมไปข้างนอกแล้วก็เดินผ่านร้านผลไม้เห็นผลไม้มันอร่อยน่ากินที่ว่าคุณคงชอบนะผลไม้เนี่ยก็เลยซื้อมาฝากมอน่นงงเลยนะพูดอะไรไม่ถูกเลย ผมก็บอกไม่ต้องไ ม, ไม่เป็นไรไม่ต้องเกินใจนะเราเป็นเพื่อนบ้านกันมีอะไรต้องช่วยเหลือกันนะบอกว่าหลังจา ก, กนั้นเนี่ยก็เลยคุยกันดีนะคุยกันถูกคอมัก็รู้จักกันมานานแล้วเขาก็ผมก็กลับไปที่ร้านเขาพอรุ่งขึ้นเขาเปิดร้านปรากว่าไอ้ป้ายที่เคยมาบางร้านเขาเนี่ยมันหายไปแล้ว ผมก็เลยไปถามเดชว่าเฮียไอภาพที่วางอยู่หน้าร้านเนี่ยมันหายไปไหนเฮียขายได้แล้วเหรอเด็กก็บอกว่าป่าเราัขายไม่ได้หรอกแล้วมันอยู่ไหนอะ่ะมันอยู่ในร้านภาพนั้นเนี่ยเก็บไปในร้านแล้วอ่ะแล้วทําไมเฮียไม่มาวางไว้ตรงหน้าร้านเหมือนเดิม่ะบาง เด็กก็บอกเนี่ยวางตรงนั้นเนี่ยมันมันจะบังร้านเฮียหน้าเกลียบนะเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวลูกค้ามามองไม่เห็นนะปรากว่าเขากลายเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเลยนะจากคนที่เอาเปรียบนะกินที่พอเขาได้รับความน้ำใจไมตรีเนี่ยจากจากพงเนี่ยนะความเป็นเพื่อนมันเกิดขึ้น พอความเพื่อเป็นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความเกลงใจก็ตามมาอันนี้เป็นอนุภาพขกันใะห้เมื่อให้แล้วเนี่ยนะมันก็จะเป็นการสมาน้ําใจการให้สามารถจะนํามาซึ่งมิตรภาพนะและมิตรภาพนํามาซึ่งความสุขใจนะบางทีความสุขใจก็เกิดขึ้นได้นะจากการให้นะ มีพี่คนหนึ่งแกเล่าใฟังว่าแกเป็นไมเกรนแกป่วยหัวเป็นประจำแล้วต้องกินยาทุกวันวันหนึ่งก็มีคนชวยไปเป็นจิตอาสาที่บ้านปักเกร็ดนะบ้านปากเกรด็กเกรดเนี่ยเป็นบ้านที่เด็กถูกทอดทิ้งมีตั้งแต่เด็ก 2- องเดืนอนจนถึงเด็กอายุเจ็ดขวบนะแล้วก็เจ้าที่เขาไม่พอก็ต้องรับอาสาสมัครมาเป็นที่เลี้ยงดูแลเด็กอุ้มเด็กก็ยังดีเพราะว่าเด็กนอนนอนนานๆเนี่ย มันการเส้นมันยืดอ่ะนะอุ้มเด็กชวนเด็กเดินเล่นนะหรือเล่นกับเด็กถ้าเป็นเด็กโตเขาก็ไปเป็นจิตอาส า, าทิตย์ละสองวันเป็นได้ทั้งสอามทิตย์เนี่ยเขาก็ถูกคิดขึ้นมาว่าเขาลืมกินยาแต่ก่กินยาทุกวันเลยเขาก็แปลกใจทําไมลืมกินยานะทำไมลืมใช่ไหมฮะเพราะมันไม่ปวด ความปวดมันหายไปไงพอหายไปก็เลยเลื่มกินยาเ้าก็แปลกใจทำไมมันเลืมทำไมมันหายปวดได้เนี่ยาะพ่อออกเป็นพ่อไปไปช่วยเด็กนะไปเล่นกับเด็กนะทีแรกเขาคิดว่าเขาเนี่ยนะให้ความสุขกับเด็กบอกว่าเด็กเนี่ยให้ความสุขกับเขาเด็กให้เขามากเลยเด็กให้ความสุขกับเขาเขาก็เลยพอคนเร า, ามีความสุขแล้วเนี่ยนะ มันก็คงมีสารอะไรบางตัวที่หลังออกมาทําให้หายปวดอันนี้เป็นเป็นเป็นตัวอย่างของอนุภาพของการให้นะว่าการให้เนี่ยมันนอกจากให้ความสุขทางใจแล้วเนี่ยนอกจากมันทําให้เกิดมิตรภาพมันยังทำให้ให้ความความทุกข์ทางกายเนี่ยบรรเทาเบาบางลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เนี่ยนะัหรือการสละเนี่ย มันมีอนุภาพมันสามารถให้ความสุกกับเราได้แต่คณิการให้เนี่ยมันมีหลายหลายระดับเราเริ่มต้นจากการให้วัตถุต่อไปเราก็เริ่มให้เวลาให้น้ําใจนะฮะให้อย่างหนึ่งที่สําคัญหรือสละอย่างที่สําคัญก็คือการสละอารมณ์ที่เป็นอกุศลนะความโกรธความเศร้า นะความวิตกกังวลเนี่ยเราต้องรู้จักสละนะเพราะถ้าเราไม่สละเนี่ยนะมันจะทุกข์มากยกตัวอย่างความโกรธเนี่ยความโกรธเนี่ ย, ม, นนยมันเผาโลนจิตใจเราแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาโกรธแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากสละเท่าไหร่วิธีสละความโกรธคือการให้อภัยนะแต่เวลาเราโกรธ น, นี่นะ ไอ้ความคิดที่จะให้อภัยเนี่ยมันไม่มีเลยมันคิดแต่จะแก้แค้นแล้วเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนมามาแนะนําให้เราให้อภัยเขาเนี่ยบางทีเราโกดเพื่อนนะว่าทําไมแนะนําแบบนี้ทําไมเพื่อนไม่เป็นพวกเราเธอเป็นเพื่อนเธอเป็นพวกเขาใช่ไหมทําไมไม่เป็นพวกฉันนะนะอันนี้แสดงว่าแสดงว่าเราผัวงแหนความโกรธนะความกดมันหน้ า, น, าน้าเอาไหมนะหน้าแบกไหม มันก็ไม่น่ายแต่ทำไมเราไม่สลากไปความเศร้าก็เหมือนกันนะความเศร้าเวลาเราเศร้าเนี่ยนะเพื่อมาชวนให้ไปเที่ยวนะมังทีไม่ไปไม่อยากไปจะขอนั่งเศร้าเวลาเราเศร้าเนี่ยเราชอบฟังเพลงอะไรเราชอบฟังเพลงเศร้าใช่ไหมไอเพลงป๊อปเพลงเพลย์เราไม่ฟังเราจะฟังเพลงเศร้าเหมือนว่าเราหวงแหนความเศร้าเรายึดจมอยในความเศร้าเพื่อมาช่วนให้ไปไหนไม่ไป เพื่อนจะมาเล่าให้ฟังนะแกเธอเป็นผู้หญิงวันหนึ่งก็ได้จดหมายจากเพื่อนผู้ชายนะเธอมีใจให้ผู้ชายคนนี้แต่ว่าผู้ชายนี้ก็ไม่ได้มีใจใเธอเธอก็เสียใจมีความรู้สึกกับอกหักเลน้อ ย, อยก็ไม่น้อยครับมากเลย <c oughs> กำลังนั่งเศร้าอยู่นะก็มีเพื่อนมากดอ๋อที่หน้าบ้านแล้วก็มาเรียบชวนไปเที่ยวพอเธอได้ยินเพื่อนเรียกนะ เธอฉุนเลยนะนึกในใจเวลาจะสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็ดันมีคนมาขัดขวางนะี่แสงว่าอะไรแสงว่าเราโหงแหงความเศร้าใช่ไหมทำไมเราไม่คิดจะไม่ทาไมเราไม่คิดจะไปปล่อยไม่คิดสลบไปใช่มนัการสละความเศร้าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะที่เราต้องฝึกด้วย คนเราเนี่ยยึดติดสองอย่างนะหนึ่งสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเช่นเงินทองทรัพย์สมบัติคนรักนะชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานอีกอันนึงคือสิ่งที่ไม่ให้ความสุขกับเราือสิ่งที่ให้ความทุกขกับเราเช่นความโกรธความเศร้าเวลาเราโกรธใครเนี่ยเราก็จะคิดถึงคนคนนั้นนะบางทีคิดคิดถึงเขามากกว่าคนที่เรารักอีกเราเกลียดใครเนี่ยเราคิดถึงเขามากกว่าพ่อแม่เราเสห แต่ถ้าเรามีสตินะเราจะรู้เลยว่ากลัวไปทำไมแบกไปทำไมนะเราจะคิดถึงการให้อภัยนะเราจะพยายามที่จะแผ่เมตตาเพราะนี่คือวิธีที่ช่วยทำให้เราสลับวางมันลงไดนะ้การให้อภัยเมตตาไม่ต้องรอให้เขามาขอโทษเราบางครัว่นฉันจะให้ภัยก็กต่อเมื่อเขาขอโทษทั้งก่อน ถ้ามาเปรียบเทียบแบบนี้นะสมมติว่าเราเดินเราโดนรถเฉี่ยวชนเนี่ยแล้วคนขับรถนั้นเนี่ยก็หนีไปตอนนี้ก็มีคนมารับเราเนี่ยไปโรงพยาบาลตอนนั้นเราก็ดูกหักขาหักแล้วแต่เราบอกว่าไม่ไปฉันไม่ไปจนกว่าไอ้หมอน้าจะมาขอโทษฉันทำยิ่ฉลาดไหมอ่าคนที่ทํายิ่ฉลาดไหมในเมื่อเราเจ็บปวดในเมื่อเราเราเรา เ, ราเอ่อ เราปร ะ, ะสบอุบัติเหตุเนี่ยเรามีแผลเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรทําคือว่าเยียวยารักษาตัวเองให้หายก่อนส่วนเขาจะมาขอโทษหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่เป็นเรื่องการนี่เป็นเรื่องของความทุกข์กายเรื่องของบาดแผลทางกายเมื่อเรามี บ, บ, บาดแผลทางกายเราต้องรักษาก่อนต้องรีบรักษาก่อนไม่ต้องมารอให้คนที่ทําให้เราเจ็บปวดนี่เขามาให้อภยัยมาขออภยัยเรามาขอโทษเราบาดแผลทางใจก็เหมือนกันนะ เรามีบาดแผลใใจสิ่งที่เราต้องทำก็คือถ้าเรารักตัวเองนะคือเยียวยาบาดแผลในใจเราและสิ่งที่เยียวยาบาดแผลในใจเราเนี่ยในกรณีที่เป็นความโกรธนะก็คือการให้อภัยคือการแผ่เมตตาเพราะเวลาเราโกรธเนี่ยนะไม่ว่าเราโกรธใครก็ตามเนี่ยคนที่ทุกคนแรกคือใครเราโกรธเข้าแต่ใครทุกนะเราทุกนะเราเกลียดเขา แต่ใครทุกข์นะก็คือเราเพราะเมื่อเราโกรธก็คือเรากําลังมีไฟเราเผาลนจิตใจเมื่อเราเกลีย ก, ก็หมายความว่ากำลังมีแผลในใจและในยามนี้ถ้าเรารักตัวเองนะเราต้องรู้จักเยียวยารักษาจิตใจเราให้หายโดยพันเขาจะมาขอโทษหรือไม่เป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของขคือเขามาขอโทษเราแต่ถ้าเขาไม่ขอโทษนะ ก็เป็นเรื่องของเขาหน้าที่ของเราคือเราเยียวยาจิตใจของเราในตอนเดียวกันถ้าเกิดเราเจ็บเราป่วยหน้าที่ของเราอย่างแรกที่ต้องรีดถามคือเยียวยาความเจ็บความป่วยทางกายของเราแล้วเนี่ยการสละเนี่ยถ้าเรารู้จักสละความโกรธนะคือจักสละความเศร้านะสละความรู้สึกจิตเนี่ยในธรร ม, มะเราพูดความโปร่งเบา เป็นความสงบอย่างในในจิตใจซึ่งอันนี้ต้องอาศัยภาวนาภาวนาคือการที่เราทําให้เราเนี่ยช่วยเราสละวิธีหนึ่งที่ช่วยเราให้เราสละความทุกข์ในใจเนี่ยก็คือสมาธิอย่างเช่นเวลาเราโกรธเนี่ยนะถ้าเราใจเราหมก บ, บุ้นอยู่คนที่เราโกรธมุก บ, บุ้นอยู่การกระทําเขาเราจะยิ่งโกรธมากขึ้นแต่เมื่อก็ตามที่เราหันมา เอาเจิอยู่กับลมหายใจนะตอนนั้นนะ่ะคือเราได้วางนะความโกรธลงไปเอาใจมีอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจ ย, ยาวๆนะนั่นคือวิธีที่จะช่วยเราทำให้เราสลัดความทุกข์ในใจได้ไม่ว่ามันจะเป็นความเศร้าความเกลียดความโกรธหรือความห่วงความวิตกกังวลบางคนไม่โกรธไม่เกลียดใครแต่ห่วง วิตกกังวลเรื่องงานคนรักห่วงลูกนะซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้เรามีความสุขนะถ้าเราลองรู้จักสละหรือวางมันลงบ้างโดยเอาใจมีที่ลมหายใจหายใจเข้าลหรือหายใจ ย, วยาวๆนะเราจะพบกับความสงบเย็นนะนี่คือตัวอย่างการของความสุขที่เกิดจากการสละ ไม่แต่ความปวดนะปวดกายนี่นะเราไม่รู้นะคนเสี่ไม่รู้นะเวลาปวดกายเนี่ยมันไม่ใช่ปวดกายอยูน่นะมันปวดใจด้วยใจมันไปจดจ่ออยู่ที่ความปวดคนที่คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาจะเขาจะเขาจะมีอาการแบบนี้มากนะคือเขาปวยและเขาไม่รู้ตัวนะว่าใจเขาเนี่ยไปปกักไปยึดไปจมอยู่กับความปวดาภาษาพารว่าไปยึดติดนะกับความปวด แต่ทันทีที่เอาจิตเนี่ยออกห่างจากความปวดนะมาอยู่ที่ลมหายใจนะให้ความปวดจากทุ เ, เลาลงคุณหมอมาราไม่รีลาเคยเล่าให้ฟังว่าไปเยี่ยมอาจารย์แพทย์คนหนึ่งนะจะเป็นมะเร็งแล้วก็มะเร็งมะลาวไปถึงกระดูกอาอยุแค่สีสิกว่าเองนะแล้วก็ยานี่เอาไม่อยู่นะหมอให้หมอฟีนทุก3ชั่วโมงแกบอกไม่ไหวหมอขอทุกสองชั่วโมงได้ไหมหมอให้ไม่ได้ ตอนหลังแกบอกกันท่านว่าขอทุกชั่วโมงได้ไหมหมอ ก, ก็บอกว่าให้ไม่ได้มันแรงมันมากเกินไปแกก็ปวดนะแกปวดจกนกระทั่งว่านอนไม่ได้ต้องนั่งนั่งแล้วงอกรอ ง, งองขินนะเหงื่อนี่นะแม่โตโตปากมีซี่เลยมันปวดอย่างหนักเลยคุณหมอมารามาถึงก็อยากจะช่วยก็เลยชวนทําสมาธิ หายใจเข้าพุดหายใจออกโธคนไข้บอกไม่เคยนั่งสมาธิคุณหมอก็เอมาราก็บอกว่าเออลองทําดูนะทีแรกคิดว่าห้านาทีก็เก่งแล้วบอกว่าห้นาทีผ่านไปนะแกก็ยังทําสมาธิอยู่10นาทีผ่านไปก็ยังนั่งอยู่บอกว่าแกนั่งถึงสีนาทีนะแล้วก็ยิ่งนั่งเนี่ยพอนั่งเนี่ยตัวก็ยิ่งตรงและผ่อนคลายนะเพราว่า พอลืมตาขึ้นมาเนี่ยก็หน้าตาแจ่มใสความโกรดนี่หายไปหายไปเยอะเลยไอ้ความความปวดนี่หายไปเยอะเลยเหนือเนี่ยหมดไปละไม่มีเหนือปล่าไปสีชมพูเลยคนไข้ก็อศัศจรรย์นะคุณหมอแม่รักก็อศัศจรรย์นะเพราะว่าแกบอกว่าแกไม่เคยนั่งสมาธิแต่ทำไมทำได้ต้อง45นาทีปวดนะขนาบคนที่ไม่ปวดเนี่ยนั่ง5าทีมนั่งไม่ได้เลยแต่นี่เห็นนั่งได้45นาที เห็นเลนหน้านี่เป็นตัวอย่างนะว่าอ่าพอจิตมันอยู่กับสมาธิเนี่ยพอจิตมันอยู่กับลมหายใจมันทำให้เกิดสมาธิ ท, ที่ที่ไม่ปวยเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันหลืดปวดจิตที่เคยไปไปไปเกาะ อ, อยู่ที่ความปวดเนี่ยพอดึงมาอยู่ที่ลมหายใจนะความสงบเกิดขึ้นสงบเพราะอะไรเพราะปล่อยวางความปวดความปวดไม่น่ายึดนะแต่ว่าเรายึดโดยไม่รู้ตัวนะนะ และ ว, วิธีที่ทําให้จิตเนี่ยมันวางความปวดได้เนี่ยวิธีหนึ่คือสมาธินะอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าคนเราเนี่ยต้องรู้จักวิธีการปล่อยการวางนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ่อไม่ใช่เพียงแค่สละวัตถุสิ่งของที่เรียกว่าทานแต่ว่าแม้กระทั่งสิ่งที่มันให้ความทุกข์กับเราเช่นความกลัวความเศร้านะความยึดตกกังวลหรือว่าความปวดเนี่ยเราต้องรู้จักสละ คนเราไม่ค่อยรู้นะว่าเราไปแบกมันโดยไม่รู้ตัวนะที่ไม่รู้ก็เพราะไม่มีสตินะแต่พอเรามีสติเนี่ยเราจะวางได้คนเราโกรธเนี่ยเพราะไม่รู้ตัวนะถ้ารู้ตัวนี้ไม่โกรธเพื่อต่อมาอมีมีมีผู้ครองมีนายฐานคนหนึ่งเนี่ยแกไปรับเด็ก ที่กรุงเทพนะโรงเรียนดังมากเลยถ้าเอ่ยชื่อกลุกรุงเทพก็จะรู้จักแล้วก็โรงเรียนนี้เนี่ยผู้ปกครองมีเงินเพราะนั้นเวลาเวลาเลิกเรียนเนี่ยรถจะติดมากเลยเพราะว่าขับรถมารับลูกโร ง, งเรียนก็เลยให้มีระเบียบ ว, ว่าต้องให้ขับรถทางเดียวนะวันเวย์ข้อประตูนี้ออกประตูนั้นใช่ไหมแต่ปรากฏว่าในายฐางคนนี้เนี่ยนะ แกไม่อยากทกํากติ ก, กาเพราะว่าขือมาเข้าทางประตูเข้าเนี่ยมันจอดยาวก็เลยเข้าทางประตูออกเข้าทางประตูออกเนี่ยก็สบายเลยนะไม่ต้องไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องรอคิวข้างบนพอไปถึงพอเข้าไปข้างในเนี่ยมันมีที่จอดรถว่างอยู่ที่หนึง่งพอดีเลยก็เลยเข้าไปจอดเสียประกฏบว่ารถอีกคันหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาเขามาตามระเบียบนะ เขาก็เล็งไอ้ที่จอดรถนั้นแหละแต่พอเห็นรถของอีกคนนึงเนี่ยจอดเนี่ยแล้วก็เป็นรถที่ทําผิดระเบียบเขาก็เลยลงจับรถไปต่อว่านายฐานคนนั้นนายฐานก็กไม่พอใจก็ถามว่าคุณรู้ไหมผมเป็นใครผู้ปกครองบอกผมไม่รู้ว่าผมไม่สนใจคุณเป็นใครแต่คุณทําผิดระเบียบทํางนี้ใช่ไม่ได้ใช่ไหม ก็ต่อว่าอยู่หลายอย่างนายท้าวนั้นก็โกรธนะแกมีปืนอยู่ในรถแกก็คว้าปืนมาแล้วก็ลงจากรถแล้วก็เดินตามผู้ปกครองคนนั้นซึ่งกาลังเดินกลับรถเดินกลับไปที่รถหันหลังให้ในายทาวนั้นก็เดินตามไปเอาอมีพ้องก็มีปืนอยู่เพิ่งเอิญ น, นะ ต ร, ตรงนั้นเนี่ยมันมีคนขับรถของโรงเรียนซึ่งแกเป็นพลเมืองดีนะแต่พลเมืองดีเนี่ยเวลาจะไปไปละงับเหตุแบบเหตุการณ์แบบนี้บางทีก็ตายได้ง่ายๆนะเพราะว่าคนที่กาลังโกรธพอถูกเบรคาก็หันมาเล่งงานแทนนะแกก็เป็นคนที่มีปฏิภาณเหมือนกันนะเดินไปที่ในฐานคนนั้นนะแล้วก็สัมผัสเบาๆแล้วก็พูดว่าท่านครับ ท่านมารับรู้ไม่ใช่หรือครับพอได้แค่นี้ได้สติเลยความโกรธหายเลยนะแล้วก็หันหลังกลับไปที่รถเอาเปืนเก็บคือเมื่อกี้ยังโกรธอยู่เลยนะจะฆ่าคนอยู่แล้วนะแต่พอได้สติขึ้นมานล้าความโกรธมันหายเลยสติเนี่ยมันช่วยปล่อยวางความโกรธได้และที่โกรธเราไม่รู้ตัว ในทางคนนั้นเนี่ยตอนนั้นไม่รู้ตัวนะที่แต่ว่าจะไปแก้แค้นเนะพราะถูกดา่าแต่พอมีคนมาเตือนสตินี่รู้ตัวเลยไอนะ้คนเราเนี่ยนะถ้าเรามีสตินะเรารู้ตัวเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายนะความวิตกกังวลนะหลายๆอย่างเนี่ยนะ หลายหคนบอกว่าเนี่ยวิตกเพราะมีปัญหาปัญหาเยอะแต่ที่จริงแล้วปัญหาเนี่ยมันไม่ทําให้เราทุกข์นะปัญหาเนี่ยมันไม่ทําให้เราทุกข์แต่ที่เราทุกข์เพราะเราไปแบบปัญหาเอาไว้มีในตํารวจคนหนึ่งนะที่เป็นตํารวจที่ซื่อสัตย์มากนะเธอเออชื่อก็รู้จักนะั่นเป็นมาสี่สิปีก่อนเนี่ยไปไปปรึกษาหลวงพ่อชาว์วัดหนองปลาพง ไปก็ไประบายนะความทุกข์ในชีวิัาการเจ้านายก็ไม่ยุติธรรมนะทำงานมาต้องนานไม่ได้เลื่อนขั้นแพ๊กเพื่อรวงงานก็กลันแกล้งคอยเลื่อยขาเก้าอี้เพราะว่าแกไม่กินน้ำน้ำทวนน้ำก็ไม่กินนะเป็นแกะดำ ที่จริงเป็นเป็นแกะขาวนะทำการแกะดําแล้วก็โบนระบายให้หลว ง, งพ่อชาฟังเป็นชกเป็นครึ่งชงั่วโมงเนยนะหลวงพ่อท่านก็ฟังเลยนะท่านไม่ไม่สอนไม่แทรกไม่ขัดพอในตัวท่านระบายจบเนี่ยท่านก็ชี้ไปที่ก้อนหินที่อยู่หน้ากุฏิท่านเห็นหินก้อนนั้นไหมเห็นครับมันหนักไหมหนักครับ แบกไหวไหมไม่ไหวครับเออไม่ไหวก็อย่าไปแบ ก, กมันนะพอท่านพอในตรวจคนนั้นได้ยินเนี้ยก็รู้เลยนะได้สติขึ้นมาอันทีเลยว่าอะไรว่าที่ทุกเนี่ยเพราะไปแบกนะไม่แบกก็ไม่ทุกปัญหาเนี่ยเหมือนเหมือนก้อนหินนะมันหนักแค่ไหนถ้าเราไม่แบกแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่ล้าใช่ไหฮะ เนื้อเวลาเราเวลาเราทุกข์นะอย่าไปโทษก้อนหินต้องไปต้องถามตัวเองว่าไปแบกก้อนหินทําไมนะปัญหาไม่ทําให้เราทุกข์นะถ้าเราไม่แบกมันไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาถึงไม่ทุกข์ถึงไม่มีปัญหาถึงมีปัญหาก็ไม่ทุกข์ก็ได้อยู่ที่ว่าเราไปแบกมันหรือเปล่านะ เดีกนมาที่ก็บอกว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีว้กลุ่มใช่มปัญหามีไว้แก้มีปัญหาแต่ว่าไม่กลุ่มก็ได้ถ้าเราไม่ไปแบกมันตรงนี้มันเป็นเรื่องของการการรู้จักรักษาจิตให้ดีเพราะถ้าจิตเราเพลอมาอะไรก็ไปแบกเนาะไปแบกมันมีนี่ไม่ทุกข์ก็ได้เนาะ ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ทุกข์เนี่ยพ่อไม่มีหนี้นะถึงแม้มีหนี้ก็ไม่ทุกข์ก็ได้เคยมีคนถามหลวงพ่อพยอยมนะหลวงพ่อวัดสวนแก้วเนี่ยกู้เงินธนาคารมาหลายสิบล้านเนี่ยหลวงพ่อเป็นทุกข์ไหมกลุ่มไหมมาสวนแก้วนี่กู้เงินมาเยอะน ะ, ะมาพัฒนาวัดมาช่วยทำกิจกรรมช่วยเหลือชาว บ, บ้านประจําพยายามตอบว่าจะ ก, กลุ้มไปทําไมจะทุกข์ไปทําไม ไอคนที่หน้ากลุ้มหน้าทุกมากกว่าคื่นเจ้าของเงินนะเพราะว่าเราจะมีปัญญาจ่ายเงินเขาหรือเปล่าอัตมาไม่กุ้มเลยนะท่านมีนี้แต่ทํานไม่กุ้มนะเพราะท่าไม่แบกเนี่ยมีนี่แต่ไม่กุ้มนะถ้าเราไม่แบกมันไม่แบกนี่ไม่แปลว่าชักจะฉักดาม น, นะไม่ใช่นะ <1> 1> ก็จ่ายนะพร้อมจะจ่ายแล้วผิดชอบกับนี่แต่ไม่แบกเอาไว้คือท่านก็ท่านก็หาเงินนะมีกิจกรรมอะไรอย่างเพื่อหาเงินเสร็จแล้วก็ได้เงินเท่าไหร่ก็ทุกเดือนก็ไปไปไปจ่ายนี่ พราะนั้นเนี่ยอัตมาี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่ออยากจะอยากจะบอกว่าความสุขเนี่ยมันมีอูอ2อย่างนะส่วนใหญ่คนรู้จักแต่ความสุขประเภทแรกคือความสุขที่เกิดจากการมีการได้อันนี้มันให้ความสุขกายนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมีความสุขใจก็ได้ถ้าถ้ามีได้เยอะๆแต่ไม่รู้จักละมันก็ทุกข์ใจนะ ในสังคมที่ร่ำรวยเนะี่ยอย่างในยุโรปเนี่ยนะคนเนี่ยอาตมาเท่าที่สังเกต น, นะรู้จักแต่ความสุขประเภทแรกคือความสุขที่เกิดจากการมีการได้แล้วก็ดิน้นรนเพื่อจะมีจะได้แต่เขาไม่รู้จักความสุขที่เกิดจาก ก, จา ก, การละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสุขกายแต่อาจจะไม่สุขใจอาตมาไปที่ที่เมืองเบิร์นนะผ่านเดินผ่านสะพานหนึงใหญ่เลยนะแล้วเอ๊ะกว่าตรงสะพานเนี่ยนะมันมีตะข่ายสูงนะประมาณ2อสเมตร ตลอดสะพานเลยนะคือตัวตั ว, ตวราวสะพานนี่มันแค่เนี่ยมันแค่ประมาณ 2-2 ฟุตที่เหลือตั้งนั้นคือตะข่ายอัตมาฯก็ถามว่าตะข่า ย, ยทำไมมันมีไว้ทําไมเขาบอกการไม่ให้คนเนี่ยโดดลงมาฆ่าตัวตายคนโดโดสะพานเนี่ยฆาตัวตายเยอะมากเลยสะพานเนี่ที่เบิร์นเนี่ยนะเพราะว่าราวสะพานมันแค่2องสององฟุตนะซึ่งสวยนะสฟุตนี่มันก็เรียกว่ากำลังดีนะ น่าถ่ายรูปต่วาสภาเอถถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่ามันมีมันมีมนมตะขานยนต้อนอนเลยนะคนฆ่า ต, ตัวตายเยอะมากคนสวิสอัตอมาก็ดูนะคนสวิสก็น่าจะมีความสุขนะธรรมชาติก็สวยบ้านเมืองก็สงบเสียงรบกวนก็ไม่ค่อยมีนะสวัสดิการสังคมก็โอเคนะยังไงคุณถึงแม้ตกงานก็ไม่อดจะไม่ไม่อยากนะแต่ทำไมฆ่าตัวตายเนะชื่อได้วเว่าเามีความทุกข์ใจ และความทุกข์ใจเนี่ยนะส่วนญ่นเกิดจากการที่ไม่รู้จักสละไม่รู้จักละไม่รู้จักวางอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราเรารู้จักแต่ความสุขประเภทแรกนะอ่วความสทีจเกิดจากการมีการได้แต่เราไม่รู้จักความสุขประเภทที่สเนี่ยช่วยเราก็เสียงนะนะเสี่ยงต่อความทุกข์และอาจจะทุกข์ถึงขั้นที่ลืมตัวถึงขั่งเข้าตัวตายก็ได้ ที่ว่านี่เป็นปัญหาของสังคนในยุโรปนะสวีเดนในเทนแลนด์ก็แบบนี้ใช่ไหมฮะแคนี้เราต้องเรารู้จักความสุขประเภทแรกแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องอย่าลืมความสุขประเภทสอ2นอกจากเรามีความเพียรพยายามในการหาเงินหาทองด้วยสัมมาชีวะด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักความสุขประเภทสองด้วยกันซึ่งได้มาจากการที่เรารู้จักภาวนารู้จักฝึกจิตฝึกใจรักษาใจนะ ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาได้ทำให้เราเนี่ยมีหลักประกันว่าเราจะพบกับความสุขทั้งกายและใจได้ต่มาก็พูดมาพอสมควรนะกะ็ก็คิดว่าควรจะยุติทีงเท่านี้นะก็ขอบคุณท่านทูนแล้วก็เจ้าที่ที่ได้นิมตตมบาแล้วก็เชิญผู้ติดตามได้มาที่นี่นะแล้วก็ ก็ยินดีนะที่เท่าที่ได้ดรู้จักกับชุมชนคนไทยที่นี่ก็มีความสุขกัน เ, เพราะว่าส่วนใหญ่เกิความช่วยเหลือก็เสื้อเกื้อกูลกันการที่มีชุมชนคนไทยไม่ใหญ่นักมันก็ดีตรงที่ว่ามีความรู้จักกันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้มากถ้ามีคนเป็นหมื่นสอง0มื่นเนี่ยบางทีก็ความเพื่นทาง ก, ก็มากขึ้น เ, เป็นธรรมดา ก็หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขนะทั้งกายและใจนะในส่วนนี้ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรยัออยอำนวยผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวัฒณะสุขภาระขออยู่เย็ยนเป็นสุขนะจิตแจ่มใสใจเบิกบานนะการงานประสบความสําเร็จนะขอให้ได้มีกําลังทางกายและใจในการทําความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยทางศีลภาวนาจกนกระทั่งมีปัญญาพากิออกจากความทุกข์ เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานละที่หมายด้วยกันทุกคนเถิด